เออ โมเมจารังอาณาติโต Get on. ตกมือใส่หัวทำสมาธิมืได้ว่างบนตักหัวทับมือท้อายับตาเบาๆเพิงล้มเข่าล้มออกล้มเข่าล้มออกถ้าเห็นล้มก็เป็นสมาธิ <c oughs> เห็นสมาธิคิดเป็นสมาธิคิดเข็นสวรรค์คิดเห็นใจ สติเห็นใจใจอยู่ที่ล้มล้มเข่าล้มออกล้มเข่าล้มออกบังสะตาหายใจเข่าสะตาลือดเลืออกจมเน่า